ว่ามันก็ไม่มีอะไยลายเปอร์เซนใช่ไหมไอ้สิ่งที่เราสิ่งที่เราต้องสิ่งที่เราต้องท<ม>ําอยู่เสมอคือทําใจด้วยนะเมื่อปลูกป่ปาเรียกว่าทํากิตแล้วเราก็ต้องทําจิตด้วยว่ามันก็เกิดขึ้นได้อะไรแล้วกเกิดขึ้นได้ใช่ไห ม, มจากนั้นเดียกันเราก็ได้เห็นนะว่า<ม>ถึงอ่า ถึงพลังน้ำใจของผู้คนไฟป่านี่มันไม่ได้ดับได้ด้วยน้ำอย่างเดียวนะมันที่สำคัญประกก็คือน้ำใจน้ำใจที่ผู้คนมาช่วยกันดับไฟป่าอันนี้มันมีพลังอาจจะมากกว่าน้ำที่ใช้ดับไฟโดยซ้ำเราก็ได้เห็นถึงความ ความตื่นตัวของผู้คนซึ่งสะท้อนถึงกิจสำนึกในเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าและสาธรรมชาติหลายคนก็ไม่เคยเห็นภูหลงแต่ว่าพอร่วมมีไฟป่าก็อยากจะช่วยพอเราต้องการคนมาปลูกทั่วคนก็ยื่นมือมากันมากมายเรียกว่าลนหลามเกินกว่าที่เรา คาดการหรือว่าตัดเตรียมไว้นี่หลายเท่านะันนี้มันก็แสดงให้เห็นว่าอา่ความตื่นความผูกพันกับผู้คนที่มีต่อธรรมชาติเนี่ยัง ม, มีอยู่มากแล้วก็มันก็ได้ชี้เห็นว่าในสิ่งแย่ๆนี่ยมันก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเสมอใช่ไหม มันไม่มีอะไรที่แย่ไปหมดหรอกนะในความแย่ก็มีสิ่งดีๆให้ที่เกิดขึ้นที่ทําให้เกิดความประทับใจหรือกําลังใจทีนี้ค่ะอย่างหลายแห่งที่เกิดไฟป่าใช่ไหมคะหรือว่าอไรการที่คนไปทําลายป่าไมา้อย่างเนี้ยค่ะมันก็เป็นรูปจะเกิดจากการันทําของมนุษย์ใช่ไหมคะ่ะคะทีนี้เนี่ยการที่จะทําให้คนที่เห็นประโยชน์ส่วนตนเนี่ย ให้หันมาเห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจะต้องอาศัยเหตุปัจจัยหรือว่ามันขึ้นกับสิ่งใดผมมันต้องหลายหลายสาเหตุ น, นะอันที่หนึ่งก็คือความสำนึกว่าป่าเนี่ยมันเป็นของเราความเป็นอยู่ชีวิตความอยู่ของเราก็ขึ้นอยู่กับป่าถ้าป่าแย่เราก็แย่ไปด้วยอันนี้มั น, นต้องเป็นเรื่องของความ การที่เห็นว่าป่ากับเรามันแยกจากกันไม่ออกนะถ้าคิดถึงแต่ประโยชน์เฉพาะหน้าโดยไม่สนใจว่าป่ามันจะเป็นยังไงเช่นจุดไฟเพื่อไล่หมูเนี่ยนะป่ามันจะเป็นอย่างไรไม่สนใจฉันขอให้ได้หมูป่ามาแล้วกัน mm hmm. ไอความคิดแบบนี้มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นอันตรายต่อตัวเองระยะยาว สวามนึกแบบนี้มันต้องได้่า่หนึ่งมันต้องเป็นสวามนึกที่เกิดจากการที่มองเห็นอะไรใน้ยะยาวด้วยใช่ไหมเมื่อชาวบ้านถ้าตัดไม้แล้วปรกว่าในสุดป่าเสื่อมโทมน้ำก็ลำทานก็แห้งเกิดนะฝนก็ไม่ตกเนี่ยอันนี้เนี่ยชาวบ้านก็ต้องตระหนักตรงนี้ก็ถึงจะ เกิดความสํานึกในการที่จะรักษานะรักษาป่านะเพื่อประโยชน์ของตัวในระยะยาวอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการมองเห็นประโยชน์ตนในระยะยาวนะซึ่งถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องของการความเป็นแก่ตัวแต่เป็นความเป็นแก่ตัวที่มีปัญญาหรือมิฉะนั้นเนี่ยก็มองให้เห็นว่า อ, อ ป่านี่เป็นของส่วนรวมเราต้องมีหน้าที่หรือสํานึกในการที่รักษาของส่วนรวมเอาไว้อันนี้มันเป็นการมองพ้นตัวเองออกไปนะซึ่งต่างจากการมองอันแรกอันแรกเนี่ยคือรักษาป่าเพื่อประโยชน์ตัวเองระยะยาวแต่ว่าจะมองแบบไหนเนี่ยมันก็มันก็ดีทั้งนั้นแหละนะมันก็มีสํานึกแบบนี้และข้นเรียกายการก็ต้องต้องตระหนักว่า อต้องตระหนักว่าถ้าหากว่าตัวเองไม่ทาตามกฎระเบียบนะคือป่ามันมีชุดมันมีระเบียบของมันป่าชุมชนก็มีระเบียบห้ามตัดไม้ทำลายป่าห้ามจุดไฟเผาถ้าไม่ทำตามระเบียบเนี่ยอย่างมากก็ต้องมีปัญญาหรือสำนึกที่มองเห็นว่าตัวเองจะจะอยู่ได้ไม่เป็นสุขอาจจะถูกลงโทษถูกชุมชน ใบคอยความบาท น, นะหรือว่าไม่คบค้าสมาคมสามมืดแบบนี้ก็ก็มีส่วนที่ช่วยทำให้คนเนี่ยไม่กล้าที่จะทำอะไรคือรักษาคืออย่างน้อยเนี่ยนะอาจจะไม่ได้รักษาไม่ได้นึกถึงส่วนรวมอะไรมากแต่ก็กลัวว่าจะถูกลงโทษถ้าเกิดว่ า, าไม่รักษาป่าหรือว่าคิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไป ไอ้สำนึกแบบนี้ก็กจําเป็นนะสาหรับคนจํานวนไม่น้อยนะหลายคนเนี่ยเขาเขารักษาส่วนเขารักษาเขาเคารพสมบัติส่วนรวมได้ไม่ใช่เพราะว่าเขามีจิตสํานึกกว้างไกลอะไรมากนะแต่ก็เขากลัวว่าถ้าเข า, เาไม่ทําตามระเบียบเขาจะเดือดร้อนสมัยก่อนมันก็มีความเชื่อความเชื่อเรื่องเทวดาอารักษ์นะ ว่าถ้าถ้าไปตัดไม้ทํำลายป่าเดี๋ยวเทวดาลักจะเล่นงานผีป่าจะามาหลอกหลอนสมัยนี้มันไม่มีความความเชื่ อ, อ น, นี่มันก็ลดน้อยลงไปแล้วแต่ก็ต้องอาศัยความเชื่อแบบความเชื่อว่าชุมชนนะ mm hmm. เขจะ mm hmm. เขจะลงโทษเรานะถ้าเกิดว่าเราคิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไปเนี่ยมันต้องมีสํมมติแบบนี้นอย่างน้อยเนี่ย สระดับนะมันถึงจะทําให้เขาเนี่ยอนุรักษ์ป่าแล้วก็รักษาป่ายิ่งถ้าพัฒนาไปถึงขั้นว่ารู้สึกว่าเรากับป่าเนี่ยนะเห็นว่าป่ามันมีชีวิตนะป่า ม, มีชีวิตมีความเคารพป่าในฐานะที่มันเป็นชีวิตหนึ่งนะอันนี้ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ซึ่งคนสมัยก่อนเนี่ยก็มีจํานวนตรงที่มีความสมํานึกแบบนี้ เขาก็ไม่ทำลายป่าคนเมืองหลายคนก็มีสํานึกแบบนี้มาป่าแล้วรู้สึกว่ามันได้สัมผัสกับบางสิ่งบางอย่างที่เขารู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับป่าเขาก็รักป่าเขาคงแห่งป่าความรู้สึกว่าป่านี้มันหมายถึงหมายถึงจิตวิญญาณบางอย่างจิตวิญญาณที่กว้างใหญ่กว่าตัวเองหรือความรู้สึกว่าป่าที่มันเป็นตัวแทนของาศาสนา มันะเป็นตัวแทนของของอย่างเช่นเป็นตัวแทนของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นที่ที่ที่เราควรเป็นที่ที่เราจะสามารถพัฒนาเียเจริญนอกงามได้จากการอยู่่าำกลางป่าเนี่ยส่นุกงบนี้มันช่วยทำให้เกิดความรักเกิดความเคารพ ป, นะป่าคือมันต้องอาศัยจิตสนุทหยอย่างนะหลายระดับ จะอาศัยแค่ลําพังกฎหมายนะมันก็ไม่ได้มีกฎหมายแต่ว่าถ้ากฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์มันก็ไม่สามารถจะช่วยยับยั้งการทําลายหรือบุกรุกป่าได้อย่างการที่หลวงพี่ก็ดําเนินงานอนุรักษ์อย่างเรื่องของโครงการธรรมายาตามาเป็นระยะเวลายาวนานใช่ไหมคะ ตรงนี้เนี่ยค่ะ ก, กิจกรรมเช่นนี้มันให้ปวาหมายต่อชีวิตมนุษยอย่างไรบ้างธรรมยาตราเนียมาเป็นการรณรงค์เพื่อสร้างสํานึกสิ่งแวดล้อมอในระดับลุ่มน้ําลำปางทาวนะมันไม่ใช่ทําเฉพาะจุดที่ถ้าเป็นที่ผูลงเราก็มีกิจกรรมอนุรักษ์ปลาแต่ทํายาตรานี่มันเป็นเรื่องของการสร้างจิตสํานึกให้เกิดความวงแหาและตื่นตัวในเรื่องเกี่ยวกับ ธรรมาชาติในรูปนั้นลบประทาตลอดสายเลยนะซึ่ง เ, เราก็พยายามในแง่นึงก็พยายามเชให้คนเห็นว่าส า, าการมันเร็วล้านลงไปเรื่อ ย, อยไปภูเขานะที่ภูเขาที่กลายเป็นเขาหัวโล้นหรือว่าสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพที่หดหายไปนะ ตลอดจนดินที่มันขาดโอชะนะหน้าดินที่เสื่อมที่ถูกทําลายกลายเป็นดินที่ไร้ชีวิตหรือว่าน้ําที่มันเน่านะไม่มีเต็มไปด้วยสารพิษนะซึ่งไม่มีชีวิตที่จะอาศัยอยู่ได้เนี่ยอันนี้มันก็พยายามการชี้เห็นปัญหาแล้วก็พยายามกระตุ้นแล้วก็ตระหนักว่าปัญหาย่านี้เนี่ยจริงชาวบ้านก็เห็ น, นแต่คนไม่รู้สึกว่าเคยต้อง มันเป็นภาระของที่ต้องทําเพราะเขคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของอบตของอบจมาคิดหน้าที่ของรัฐบาลบ้างเราก็พยายามกระตุ้นสําฤทธิ์เขาเห็นว่ามันมันเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันทำเพราะมันเพราะมันเป็นของของเราถ้าเราไม่ทําจะไวางให้คนอื่นทํำมันก็มันก็ไม่ได้แล้วก็กณะกรรการก็พยายามที่จะทำให้เขาได้รู้สึกร้อนรู้สึกร้อนสุร้อนหนาวไปกับสิ่งแวนร้อมนะอย่างที่หลวงพ่อวาเสียดกบลเนี่ย หรืออาตมาก็พยายามพูดอยู่เสมอนะว่าเนี่ยถ้าเราฟังดีๆเนี่ยเราจะได้ยินเสียงเสียงร้องไห้ของป่าเขาเนะี่เสียงที่มาแสดงความเจ็บปวดของอพื้นดินหลวงพ่ออมเกียนท่านก็พดเสมอว่าเนี่แม่น้บล้มป่วยแผ่นดินร้องไห้นะแล้วก็ป่าเขากาลังจะตาย คือตอนถ้าคนเราเนี่ยรู้สึกรู้สึกเขารู้สึกร้อนรู้สึกหนาวไปกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเขาก็จะเกิดความตื่นตัวนะอยากจะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้นมา <Okay. S 1> ตรรมยถาตามก็ก็พยายามพูดตรงเนี้ยพูดแล้วพูดเล่าพูดแล้วพูดเล่าในแง่หนึ่งก็เป็นการให้กำลังใจกับชาวบ้านบางคนในหมู่บ้านแต่ละแห่ง ที่เราเดินผ่านหลายคนเขาบางคุ่คนกลุ่มนี้ก็มีความสำนึกคอามร่วมแต่ก็าจรู้สึกโดดเดี่ยวนะเหมือนกับหัว เ, เดียวกับเทียมรีบแต่พอมีธรรมญาติตามาแล้วก็เอาเรื่องราวของที่นั่นที่นี่มาว่าเขาอนุรักษ์ป่ากันยังไงเขารักษาแหล่งน้ำนยังไงใช่ไหมมันก็ให้กำลังใจคนพวกนี้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือมันเป็นประโยชน์ผู้เดินนะผู้เดินนี่ก็เกิดความรู้สึกรักป่าและธรรมชาติมาก คนเราเวลาอยู่ในห้องแอร์มันไม่รู้สึกว่าธรรมชาติมีความสําคัญแต่เวลามาเดินกลางแดดตัวรู้สึกเลยโหยรักต้นไม้มากเพราะว่าต้นไม้หมายถึงร่มเงานะได้อยู่ใต้ลมไม้ก็มีความสุขนะเห็นต้นไม้ก็ดีใจนะเพราะว่าแดดมันร้อนะอันนี้ก็เป็นการปลูกสํานึกเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับผู้คนให้รักธรรมชาติรวมทั้งนอนกลางดินกินกลางทรายเนะี่ย มันก็ทําให้เกิดความกชิดธรรมชาติความผูกพันธ์ก็จะมีมากขึ้นอันนี้เป็นประโยชน์กับคนเมืองที่มาเดินรวมทางการที่เขาสื่อาการมีชีวิตเรียบง่ายเนี่ยคนเราก็มีความสุขได้กับชีวิตที่เรียบง่ายนะเพียงแค่ได้มีน้ำเปล่ากินดับกระหายนี่ก็มีความสุขแล้วเพียงแค่มีลมพัดเบาๆมากระทบกายขณะที่เดินเนี่ยมันก็มีความสุขแล้วหรือว่าร้อนๆ น, นี่พอจะอยู่ใต้ร่มเงา เงาไม้ก็มีความสูงนะความสูงมันมันง่ายมากเลยเดินทำไม่ยากตามเลยทำไม่ร้อยเห็นให้ความชีวิตที่เรียบ ง, ง่ายเนี่ยมันทําให้คนเราเนี่ยนเะอาเปรียบเบียเบีนธรรมา ช, ชาติน้อยลงใช่ไหมเพราะว่าตอนทีมนุษย์เราเนี่ยมันชีวิตมันซับซ้อนมากขึ้นนะความสูง ข, ของเรามันกลายเป็นเรื่องยากมากขึ้นเราก็เลยเบียดเบียนธรรมา ช, ชาติเพื่อมาสนองกลนเพลอ สนองความสุขให้กับเรานะทั้งที่เราสามารถจะมีความสุขได้โดยที่ต้องทำลายธรรมชาตินะอยู่อาศัยนั่งใต้ลมไม้นะได้สัมผัสกับลมที่พัดมาเย็นเราเบาได้เห็นพราทิตขึ้นได้เห็นดวงดาวนั่เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการที่อยู่ร่วมกันชันมิตรธรรมชาติแต่ความสุขของคนทุกวันนี้มันเป็นความส่งที่มันเกิดจากการเดีดเบียนธรรมชาติ ทั้งโดยรู้ตัวไม่รู้ตัวทั้งโดยตรงและโดยอ้ อ, อม่ะอย่างที่นี่ค่ะจากโครงการธรรมยาตาใช่ไหมคะที่ทุกคนให้มากลับมาตร้งหนักถึงเรื่องสิ่งแวดลอ้อมเรื่องธรรมชาติด้วยแล้วก็มาถึงารไฟปา่าเ ร, รืงจิตอาสาต่างๆเหล่านี้ค่ะที่มองว่ามนุษย์ธรรมชาติแล้วก็ธรรมะเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์จะนย่งะเพร มนุษย์กับธรรมชาติมันแยกจากการไม่ออกเพราะมนุษย์เป็นส่วนของธรรมชาติอันนี้มุมมองพุทธศาสนานะแล้วก็มุมมองยิ่งสารมนุษย์ก็เป็นส่วนของธรรมชาตนะิไม่มีธรรมชาติก็ไม่มีมนุษย์นะไม่มีโลกอย่างทุกวันนี้นะอย่าว่าแต่มนุษย์เลยชีวิตอื่นก็มันก็มีไม่ได้นะมนุษย์ร่างกายเราก็ประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟประกอบด้วยคาร์บอนนะแมกนีเซียมนะ ประกอบด้วยฟอสฟอรัสโพแทสเซียมไอพวกนี้เนี่ยมันก็มาอย่างไนมันมาจากธรรมชาติรอบตัวเราทั้งนั้นเลทั้งที่มาในรูปของอากาศน้ำแล้วก็อาหาร่เพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยนะมันมันแยกขาดจากธรรมชาติไม่ได้ขล้วยังกับจิตใจของเราเนี่ยนะมันก็มันก็เป็ น, นมันก็อีงอาศัยธรรมชาติ มันมีการวิจัยที่มากมายที่เชียอว่าคนเราเนี่ยถ้าอยู่ท่าการธรรมชาติแล้วจิตแจมผ่อนคลายจิตใจผ่อนคลายร่างกายก็สบายที่รู้สึกว่าที่ที่เดนมาร์กมันก็มีการวิจัยพบว่าคนที่อยู่ในรัศมีหนึ่งกิโลเมตรรอบพื้นที่สีเขียวนั่นนะรัศมีหนึ่งกิโลเมตรของพื้นที่สีเขียวเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนานาชนิดก็จะลดน้อยลง โรคซึมเศร้าวิตกกังวลแม้กระทั่งโรคทางกายเช่นโรคเบาหวานโรคหวัวใจไมเกรนมันจะลดลงไปเยอะเลยนะและเพราะว่าพ อ, อยู่ท่างธรรมชาติเนี่ยความเมตตากรุณามันจะมากขึ้นมันหมายความว่ามนุษย์เราเนี่ยถูกสร้างมาดุริยฒนาการ ม, มาเพื่อที่จะอยู่ท่ากลางธรรมชาติและได้อาศัยธรรมชาติเป็นเครื่องก่อเกา่านะดังนนเมืยูกับธรรมชาตินี่แ ย, ยกจากการไม่ออกไม่ว่าจะมองในมุมของ าศาสนาหรือมุมมองของพิธศาสตร์นะนี่ทำธรรมชาติธรรมะนี่ ย, ยิ่งในในแง่พุทธศาสนาแล้วเนี่ยมัน ย, ยิ่งชัดเจนนะเพราะว่าธรรมะเนี่ยก็คือถึงที่สุด ก, กฎธรรมชาติธรรมะไม่ใช่เป็นเรื่องความดีธรรมะธรรมธรรมะเป็นเรื่องความจริงเวลาในพุทธศาสนาคำว่าสาาัจธรรมเนี่ยมันคือกฎธรรมชาตินะซึ่งมันมีอยู่แล้วก่อนพระพุทธเจ้าแล้วก็จะมีมาตลอดไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้าหรือไม่ และถ้าว่าเราเข้าใจกฎธรรมชาตินี้เนี่ยนะอย่างลึกซึ้งนะเราก็จะสามารถจะมีชีวิตที่กลมกลืนกับธรรมชาติได้เป็นสุขได้การพ้นทุกข์ของมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เราเข้าใจธรรมชาตนะิหรือกฎธรรมชาติอย่างลึกซึ้งที่ที่ที่สารใหญ่เนี่ยมันจะมีข้อความของหลวงพ่อเขียนเขาบอกว่า ธรรมะเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้แยกไปจากธรรมชาตินะมันไม่ได้เป็นอะไรที่เกิดเลยไปจากธรรมชาตินะคนเราสามารถจะ บ, บรรลุธรรมรรวดวดลุดพนจากความทุกข์ได้เพียงแค่การสังเกตธรรมชาติอันนี้คุณไ ป, ไปลองไปโค้ดดูนะมันมีอยู่ที่ตรงโตง๊ตตหมู่บูชาคือทางพุทธศาสนานเนี่ยมองว่า การที่จะบรรลุธรรมได้เนี่ยนะเราสามารถจะมันสามารถเกิดขึ้นได้จากการที่เราได้เฝ้าสังเกตพินิจพิจารณาธรรมชาตินะการที่ภาธิขืนภาธิโตกการที่ใ บ, บไม้ร่วงหล่นการที่ดอกบัวมันบานแล้วก็ร่วงโรยไปพวกเนี้ยมัน้วนแล้วแต่สแสดงสัจธรรมให้เราเห็นซึ่งถ้าเข้าใจเนี่ยก็จะสามารถจะบรรลุธรรมได้อย่างมีบางท่านเนี่ย ก็บรรลุธรรมเปพระอรหันตจากการที่ได้เห็นใบบัวมันที่มันเคยบานมันก็ร่วงโรยใช่ไหมอันนี้ยวันนั้นเนี่ยธรรมชาตินี่มาสอนสอนทําให้กับเราตลอดเวลาอันนี้คือเหตว่าครูเจ้าเนี่ยสับสนให้คนเนี่ยไปไม่ว่าจะเป็นพระหรือพระราชาไปปฏิบัติอยู่ท่ามกลางธรรมชาติไม่ใช่เพราะว่าธรรมชาติทําให้ใจสงบเท่านั้นแต่ว่ายัางทําให้เกิดปัญญาเห็นธรรมด้วย ว่าในในมุมวัตศาสตร์นายธรรมธรรมชาตินี่แยกจากกันไม่ออกนะและสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือการที่มีปัญญาเห็นแจ้งว่าธรรมชาติในตัวเรากับธรรมชาติภายนอกแยกจากกันไม่ได้โอนี่เป็นเป็นความเข้าใจที่ลึกซึ้งมานะเมื่อเราเห็นว่าธรรมชาติภายนอกกับธรรมชาติในตัวเราเนี่ยเป็นอันเดียวกันไม่ได้แยกจากกันตรงนั้นแหละก็เรียกว่าเป็นภาวะที่เข้าถึงธรรม ก็อย่างคว่ารักษาป่าคือรักษาธรรมนี้แหละคะ่ะอยากจะให้ลูกที่ให้ความเข้าใจถึงความหมายเพื่อที่จะให้สัท์นี้ได้เข้าใจตรงนี้นะ ค, ะคือพุทธศาสนามองว่าคือพุทธศาสนาเนี่ยนะรวมนักธรรมะมของพูทดุเจ้าเนี่ยมันแยกออกจากธรรมชาติอย่างที่มักจะพูดกันว่าผู้เจ้าก็เกิดเกิดในปา่าใต้ร่มไม้ใช่ไหม พระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติธรรมและบรรลุธรรมใต้ต้นไม้ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นะและพระองค์ก็แสดงธรรมครั้งแรกก็ในป่าจนกระทั่งมีพระอรหันต์เกิดขึ้นคือปัญจวัคคีย์แล้วพระองค์ก็กก<ม>บริสธิพผานก็ใต้ต้นไม้และช่อของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสัมพันธ์กับธรรมชาติสัมพันธ์นกับป่าสัมพันธ์กับต้นไม้ตลอดนะ จะเรียกว่าป่าเนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นต้นกำเนิดของพุทธศาสนาก็ได้นะแล้วในวันในสารที่ผู้เจ้ายัางพระทรงพระชนชีหรือว่าหลังจากนั้นเนี่ยพระเนี่ยพระสงฆ์ในพุทธศาสนาก็ปฏิบัติใช้ชีวิตแล้วก็ปฏิบัติอยู่ท่ามกลางป่านะบรรลุธรรมนะก็จากการที่ได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะ หลังจากการที่อาศัยความสงบของธรรมชาติทำให้เกิดปัญญาเห็นธรรมหรือจากการที่พิจารณาธรรมชาติจนเกิดปัญญาจนหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แล้วก็นําเอาธรรมะมามาเผยแพร่ผู้ใหญ่ก็คือว่าถ้าไม่มีป่าให้พระได้มาปฏิบัติหรือมาเพณเพียนเนี่ยก็คงจะไม่มีไอ้ธรรมะที่ธรรมะของพระเจ้าก็คงจะสะดุดหรือขาดตอนใช่ไหม แต่การที่มีป่าแล้วก็เอื้อให้พระได้มาปฏิบัติธรรมก็ทำให้คำสอนพระเจ้าเนี่ยได้ถ่ายทถ่ายทอดลงมานะเป็นธรรมะที่ที่สัมผัสได้จริงไม่ใช่เป็นธรรมะที่อยู่ในตัวหนังสือหรือในพระตรปิโตธรรมะในตัวหนังสือที่ถ่ายทอดบันทึกไว้ในพระไตรปิโตก็สำคัญการที่มีการจารึกแล้วก็ถ่ายทอดหรือสืบท อ, อด คำสอนในรูปหนังสือเนี่ยในรูปสไตบปิโตกเนี่ยอันนี้ก็จำเป็นแต่ว่าสิ่งสำคัญไม่น้อยกว่การคือว่าสภาวะธรรมนะที่ที่เกิดขึ้นนะมันได้รับการถ่ายทอดลงมาเนี่ยนะจากรุ่นสู่รุ่นจากคนสู่คนเนี่ยจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยส่วนสำคัญก็คือการที่เพราะเป็นเพราะมีป่ามีธรรมชาติให้ให้ผู้คนได้ปฏิบัติ ตนเข้าถึงสภาวะธรรมนั้นแล้วก็นำมาสอนสั่งนำมาสอนนำมาถ่ายทอดนั้นถ้าไม่มีป่านะมันก็ทก็อาจจะทำให้อ่าการปฏิบัติาการตอนเพลินเพียนนะเพื่อเข้าถึงธรรมเนี่ยมันอาจจะประสบประสักได้นะกิงอยู่ธรรมะเนี่ยปฏิบัติได้ทุกคนทุกแห่งนะแต่ว่าวิสัยขององต้นเนี่ย การปฏิบัติจะทําได้ดีก็ท่ามกลางธรรมชาติดนะังนั้นรักษาป่าคือรักษาธรรมเคือนขึเนี่ยคือรักษาป่าก็ถ้ากระทำให้ทําให้ธรรมะพุทธศาสนาเนี่ยยังสามารถที่จะสืบทอดนะเหมือนกับเหมือนกับต้นน้ําเหมือนกับป่าเนี่ยนะมันทำให้มันทำให้เกิดต้นน้ําที่ที่ที่ ต้นน้ำที่มันที่ไหลามาจนกลายเป็นลำนํำธารแล้วก็แม่น้ำสายใหญ่ไม่มีป่าก็ไม่มีแม่น้ำอันนี้พูดถึงเมืองไทยนะเราไม่พูดถึงประเทศอื่นเพราะประเทศอื่นเนี่ยเขาน้ำเขาเนี่ยมันมาจากน้ำแข็งแต่เมืองไทยเนี่ยนะน้ำเนี่ยมันมาจากป่านะเป็นหลัก ไม่มีป่าก็ไม่มีน้ําที่จะหรือแม่น้ําที่จะมาหล่อเลี้ยงชีพผู้คนชั้นได้ก็ฉันนั้นถ้าไม่มีป่าก็จะไม่มีต้นทานแห่งธรรมนะที่มันจะมาไหลเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตทางจิตของผู้คนเหมือนกันป่านี่ยทำสองอย่างนะมันให้ทั้งให้ทั้งน้ําที่หล่อเลี้ยงชีพผู้คนแล้วก็ให้ทั้งเป็นต้นกําเนิดของสายทานธรรมนะที่จะ หล่อเลี้ยงจิตใจของผู้คนจึงบอกว่ารักษาป่าเนี่ยก็เท่ากับรักษาธรรมมันก็ทำนองเดียวกับพูดว่าไม่มีป่าก็ไรน้ำและไรน้ำก็ไม่ไร้ชีวิตอันนั้นเป็นเรื่องของนิเวศวิทยาแต่ว่าในทางธรรมมันก็ความหมายก็ความสำคัญก็ก็ไม่ได้น้อนเท่ากักนในเรื่องของคุณค่าต่อจิตใจ นี่อย่างทางคาทอลิกก็จะพูดถึงว่าสิ่งแวดล้อมความเชื่อในสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องของสิ่งสร้างจิตวิญญาณใช่ไหมคะหรือว่าความเชื่อของชนเผ่าก็จะเชื่อในเรื่องของสเปริลพูดพูดผีพิสาัที่เขาให้ความเคารพตรงนี้ค่ะทีนี้เนี่ยเพราะว่าตรงนี้ใช่ไหมคะที่ทําให้คนที่มีหลักยึดตรงนี้สามารถที่จะรักษาป่าได้อย่างเหมือนกับให้ความศรัทธาให้ความเคารพทําให้ป่าตรงนั้นน่ะยั่งยืนอยู่ได้ คิดว่าแนวทางที่เราควรจะดูแลอนุรักษ์ป่าต่อไปมันคูจะเป็นแนวทางอย่างนี้ไหคะหรือว่าพี่คิดว่ายังไงคือสมัยนี้เนี่ยมันความเชื่อทางศาสนาก็ก็ลดน้อยถอยลงนะแต่ตมาเชื่อว่าความคิดในชเชิงนิเววิทยาซึ่งมีพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะทำให้ คนเราเห็นคุณข้างธรรมชาติไดนะ้โดยเพราะถ้าตระหนักว่าคุณค้าธรรมชาติมันไม่ใช่เพียงแค่ให้น้ำให้อากาศให้ปัจจัย4ี่เท่านั้นอันนั้นเป็นเรื่องทางกายทางวัตถุแต่ว่าป่าก็ยังให้คุณค่าในทางจิตใจของผู้คนด้วยนะในยามที่ผู้คนมีความว้าวุ่นรุ่มร้อนนะ การที่มาอยู่ป่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเนี่ยมันก็จะช่วยเยียวยาช่วยทํำใจสงบได้เดี๋ยวนี้มันมีการบําบัดเช่ที่เลือกเลือกป่าบําบัดหรือธรรมชาติบําบัดธรรมชาติบําบัดในที่นี้ไม่ได้หมายว่าป่วยแล้วก็ไปอยู่แส่ใสธรรมชาติในการรักษาอันนั้นเราไม่ได้พูดธรรมชาติบำบัดในความหมายนะธรรมชาติบำบัดเพราะว่ามีความทุกข์กายมีความทุกข์ใจแล้วไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติในป่านะ ในเกาหลีเนี่ยนะมันจะมีมันมีมันจะมีโครงการเนี่ยให้คนได้ไปเยียวยาตัวเองในป่าซึ่งมันก็ช่วยได้เยอะเลคนก็เดินทางมาจากหลายประเทศมาเพื่อที่จะมามาทําเรื่องเนี้ยนนิชานนิชนสันโจเนชชัโจกราฟฟิตจบเดินเดเมษาคุณอ่านนะมันจะพูดเรื่องนี้เลยเรื่องเรื่องคืณค่าธรรมชาตินะแล้วก็เนี่ยไอ้ที่เรื่องธรรมชาติบำบัดหรือป่าบําบัดเนี่ยนะก็ ในบทความนี้ก็พูดถึงว่ามันมีความสําคัญอย่างไงคือแต่พูดนี้เนี่ยมันเป็นแค่ข้อมูลคนเราเนี่ยจะรู้สึกเป็ น, หนเหมือนกับธรรมชาติได้นะก็โดยการที่ไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆแล้วมันจะรู้สึกได้ไอ้ความรู้สึกผูกพันเนี่ยที่มันเลยเพ้นเหตุผลหรือว่าข้อมูลทางทางวิชาการเนี่ยนะสำคัญคนเราจะำนุรักษ์ป่าได้เนี่ยมันต้องมีความรู้สึกผูกพัน นะไม่ใช่แค่มีข้อมูลมีความรู้ว่าป่าสําคัญอย่างไรถ้าไม่มีป่าแล้วโลกจะร้อนมากขึ้นอย่างไรนั่นเป็นเป็นเรื่องของข้อมูลเรื่องของเหตุผลในสมองแต่ว่ามันจะยังไม่สามารถเปลี่ยนจิตใจของคนได้จนกว่าจะไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็สัมผัสกับธรรมชาติมันจะรักธรรมชาติและความรักธรรมชาตินี่แหละที่ไม่ทําให้เกิดความเคารพและทําทให้จิตใจเนี่ยมันได้สัมผัสกับมังสวิรุลยงซึ่ง อาจจะช่วยทำให้จกระดับจิตใจเข้าสู่สภาวะอีกสภาวะหนึ่งซึ่งบางทีเขากเรียกว่าสปิริตชัวลิตี้นะเป็นสภาวะที่จิตเป็นวหเดียวกับธรรมชาตินะโดยที่โดยที่ไม่ต้องอาศัยเหตุผลแต่มันมารู้สึกจูนเข้าเข้ากันได้นะคนที่ไม่เชื่อเรื่องศาสนาเนี่ยหลายคนก็สัมผัสกับสปิริ t ชัวลิตี้เนสภาวะทางจิตวิญญาณเนี่ยจากการที่ได้ทีการธรรมชาติ ซึ่งมันต้องมันต้องมันต้องไปเจอเองเและตรงนั้นอหลที่ทาให้คนเนี่ยจนวนมากเนี่ยหลงรักธรรมชาติทุ่มเทว่บธรรมชาติแล้วก็พร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อธรรมชาติในในยุโรปในอเมริกาในญี่ปุ่นมันก็มีคนประเภทนี้เยอะซึ่งเขาก็ไม่ได้มีศรัทธาในทางศาสนาอย่างที่เป็นคอนเวน t i น n a ลเท่าไหร่แต่เขารู้สึกว่ามันมีสภาวธรรมบางอย่างที่ที่เขาได้รับ จากธรรมชาติแล้วมันช่วยทำให้เขามีความสุขตรงนี้ธรรมาคิดว่าคนรุ่นคนสมัยใหม่มต้องสัมผัสแต่ม่นจะสัมผัสได้เนี่ยมันต้องยอมที่จะละทิ้งความสะดวกสบายทางวัตถุใช่ไหมเดี๋ยวนี้เนี่ย น, นะแค่แค่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นี่ก็จะลงแดงแล้วนะถ้าจะไปอยู่ป่าได้ไงนะ บางทีไปเขาป่าก็ไปนอนกาดงดินกลางทรายจะชอบไหมไม่ชอบไม่มีน้ำปอดลมกินไม่มีน้ําแข็งเนี่ยใช่ไหมคนสมัยนี้มันติดแล้วะใช่ไม่มติดความสะดสบายมากจนกระทั่งไอ้สิ่งนี้หารู้ไหมมันเป็นอุปสรรคที่ทําให้เราไม่สามารถจะสัมผัสไอ้สิ่งพิเศษสิ่งประเสริฐที่ธรรมชาติจะมอบให้กับเราใช่ไหมไปทำไปไปไ ป, ไปอยู่ถ้ามัธรรมชาติคือการฝากตัวไว้กับจังหวะของธรรมชาติ ถึงเวลาถึงเวลาหนาวก็หนาวถึงเวลาถึงเวลาร้อนก็ร้อนไม่ใช่ว่าอยู่ในตึกเนี่ยมันไม่มีความรู้สึกถึงเออ <c oughs> ใช่ไหมอะไรตลอดใช่ไหมไม่รู้สึกแล้วไม่ร้ไมู่้สึกเชื่อมโยงกับธรรมชาติเลยแต่ว่าแ้วเรารู้สึกถึงถึงความถึงวิทิมหรือว่าจังหวะของธรรมชาตินะ ไ, ไม่อพูดถึงเรื่องยุงไอ้พวกมแมลงพวกนเนี้ยนะมันก็ต้องมีธรรมดา <c oughs> ใช่ไหม แต่ครั้นี้ปัญหานี่คู่ภาษาขคนสมัยนี้คือมันมันติดความสุดวกสบายมากน ะ, ะแล้วก็เมียบางอย่างก็ไม่ใช่เรื่องความสะดสบายแต่เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของสิ่งที่เราสขาดไม่ได้เชน่นสัญญาณมือถือสัญญาณอินเทอร์น เ, นเน็ตเนี่ยเออเนี่ยนะไอ้ตรงนี้แต่ถ้าข้ามตรงนี้ไปได้เนี่ยมันจะมันจะไปเจอสิ่งที่มันวิเศษกว่าก็คื อ, อ, อ, อท่าจา่า ถ้าจะเข้าถึงธรรมชาติก็ต้องเข้าหาธรรมชาติที่แท้จริงอย่างนี้นใช่ต้องสัมผัสด้วยตัวเองสัมผัสด้วยทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งกายและใจหรือภาษาที่เรียกว่าสัมผัสด้วย B ีอิงของเรา Be อิงเนี่ยมันเป็นเรื่องของสภาวะภายในที่ลึกซึ้งนะเอาตัวไปอยู่ท่ามางธรรมชาติแล้วแต่ B ีอิงมันยังไม่มันยังไม่จูนเข้ากับธรรมชาติก็ได้เพราะใจมันลอยฟุ้งซ่านใช่ไหม อยู่ในธรรมชาติแต่ว่าใจคิดถึงบ้านคิดถึงอะไรต่ออะไรเนี่ยจิตมันไม่เป็นสงบไม่ไปสมาธิเนี่ยบีอิงมันจะเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเองจนกระทั่งจิตมันนิ่งพอเนี่ยจิตมันนิ่งพอแล้วถ้าจิตึเรื่องจิตอยู่กับปัจจุบันจิตอยู่ปัจจุบันนี่มันจะมันจะเกิด Connect กับธรรมชาติแล้วมันจะแสดงกพาว่าที่ได้สัมผัสจักรสื่งที่เรียกว่าสป i ริตชัวริตี้ได้ ไล้อย่างตัวหนวงพี่เนะคะการที่มาปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าตรงนี้มันเอื้อต่อการจเจริญในธรมสอง พ, พี่อ๋อแน่นอนอยู่แล้วทั้งในทัางกายทั้งใจใช่ไหมถึงนะเทคนิเคโนโยีแล้วน่รั <c oughs> กคนเอาไว้ั <c oughs> กคนเอาไว้ฮ <c oughs> ัลโหลฮัลโหลเอ่อเจริญพรอ่อ่อ ก็เดี๋ยวต้องเดี๋ยวก็ต้องเตรียมเตรียมทำวัดเดี๋ยวลบส่วนพี่เท่านิดน้องเขาอยากจะพอดีหนูฟังนะคะหลวอพอดีเกิดคาถามว่าพี่ฟังหลงพแล้วก็พี่อาสำคั์เกิดไอเดียว่าคิดคาออกมาสองคำคว่าการพัฒนากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติหลวงพ่อมีมุมมองกับคำสองคนี้ยังไง แล้วก็เราจะทําให้มันประสานไปด้วยกันได้คื อ, อการพัฒนามันการพัฒนาการอนุรักษ์มันไม่ใช่เป็นขั่วตรงข้ามที่ต้องเลือกอันใดอันหนึ่งจริงๆแล้วการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยนะประเด็นเรื่องนี้พูดกันมานานนะยี่สบาสิบปีมาแล้วว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ก็เพราะมีการอูุ้รักษธรรมชาติใช่ไหม ถ้าธรรมชาติถ้าพัฒนาจนธรรมชาติพังพินาเนี่ยการพัฒนานั้นก็ไม่ยั่งยืนใช่มอันนี้มันมั น, ม, นมันแน่นอนอยู่แล้วอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดพัฒนามากจนทั้งเกิดมลภาวะอากาศเสียน้าเป็นพิษนี่นะคนก็เจ็บป่วยล้มตายมันจะพัฒนาไปได้อย่างไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาเนี่ยมันต้องมันต้องควบคุมรูปแบบการรู้ธรรมชาติ เพราะว่ามันทําให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแต่ตรงนี้เนี่ยความสมดุลเนี่ยแค่ไหนมันเป็นเรื่องที่ถกเถียงกั น, นคุณดูอย่างเกาหลีเนี่ยสุดท้ายนะเกาหลีในต่ก่อนเนี่ยเขาเคยมีกลางเมืองกลางเมืองโซนนี่ยมินมีแม่น้ําคล้ายๆคล้ายๆกับมันก็แค่กับคลองนะคลองกลางเมืองเล็กกว่าเจ้าพยาแต่ว่าเป็นคลองสําคัญตอนหลังเขพัฒนาประเทศใช่ไหมไอ้คลองเนี่ยเขาก็ถม ทำเป็นถนนใช่ไหมมันก็ทําให้การจราจรเล่นเร็วดีขึ้นเขามองว่าไอ้มีคลองเนี่ยมันพื้นที่มันศูนย์เปล่าเพราะคนไม่ได้เดินทางด้วยเรือแล้วเขาก็ถมนะแต่เราก็ถมมคลองไม่พอนะทําเป็นถนนไม่พอนะทําทางรอยฟ้าขนานไปกับแนวคลองแล้ววันดีคืนดีเขาบอกว่ามันไม่ไหวละเมืองมันแย่แล้ะเขาลื้อถนนเขาลื้อ ไอทางลอยทางด่วนหรือทางสายเลยนะและขุดถนนทิ้งกลับมากลับมารักษาคลองคลองมันเน่าเขก็ทาให้มันทำให้มันมันมันเฉยชูเออแล้วก็กลายเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจกลายเป็นกลายเป็นกลายเป็นมุมเป็นวิวทิวชัดที่สวยงามของกลางกรุงโซคนก็มานั่งเล่พลักผ่อนหย่อนใจใช่ไหมนี่ไงการพัฒนาไงคือการพัฒนาจุดหนึ่งเนี่ยคุณต้อง คุณทำลายธรรมชาติไม่ได้ถ้าคุณทำลายคุณต้องกลับมาฟื้นมันขึ้นใหม่แล้วเดี๋ยวนี้โซก็เป็นเมืองที่สวยใช่ไหมเพราะว่าไอ้คลองสายแล้วเนี่ยมันเป็นที่ที่คนมาพักผ่อนหนใจมาเขียนบทกวีมาทํางานในนี่เชื่อจุ้ยก็ฟิ้มก็มีมันก็ ม, ม, กมีไม่ใช่เด็กเล่นพืชภานธเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เมษาร์พืชภานธก็พูดถึงเรื่องคลองเซนเนี่ยว่าคือพัฒนาจุดหนึ่งคุณต้องจะ ต, ต้องฟื้นธรรมชาติขึ้นมาใมหลายประเทศที่มาเนี่ย แต่ก่อนก็สร้างเขื่อนเพื่อพัฒนาใช่ไหมสร้างเขื่อนเพื่อพัฒนาประเทศใช่ไหมอเมริกาเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกเขื่อนแล้วเพื่อทําให้น้ําเนี่ยมันกลับมีชีวิตใหม่แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาจุดหนึ่งเนี่ยคุณทิ้งธรรมชาติไม่ได้อันที่เคยทิ้งธรรมชาติเนี่ยมันผิดต้องกลับมาฟื้นฟูธรรมชาติขึ้นใหม่บางกรณีก็ฟื้นฟูได้ไม่แพงแต่บางกรณีก็ต้องฟื้นฟูด้วยราคาแพงมากอย่างที่โซเนี่โหมันใช้เงินมหาศาลเลยนะ แต่เป็นคุ้มอ่ะใช่ไหมถึงแม้วัดวัดคุณวัดผลผลิตผลประโยชน์วัดประโยชน์เป็นตัวเลขไม่ได้แต่ว่าคนมีความสุขและนี่คือนโยบายหาเสียงของรัฐรมนตรของไอ้ผู้ว่ากทมหาเสียงนี่ก็โดยการที่ว่าถ้าได้เป็นถ้เป็นผู้ว่านะจะจะเอาคลองนี่กลับมาพอได้เป็นผู้ว่าเสร็จนะคนชมมากว่าทำสําเร็จได้เป็นมหาธิดาเลย ได้เป็นมาดีเพราะว่าผลงานคือการฟื้นคฟองกลับมาเนี่ยจะถามหลวงพี่ว่าในขณะ ท, ท, ที่ก็คือหลวงพี่ก็คือศาสนาเนาะแล้วการทํางานกับชาวบ้านอ่ะหรือว่าไม่ก็เลยดีอย่างเนี้ยค่ะก็เลยดีไฟปา่ายังไงแกซึ่งมันเกิดการชุมชนมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมครับก็มีเพราะเป็นชาวบ้านเขาก็ชาวบ้านใหม่ๆเขาก็ มีนี้สินเยอะเขาก็ต้องหาเงินอะไรที่มันเงินเงินเงินด่วนเงินไวๆ ไ, ไอการที่ตัดต้นไม้หาของป่าชนีดเยอะๆจนข้างทำมันไม่ยั่งยืนทําลายธรรมชาติก็ก็มีแม้กรทําทำทำไร่บุกรุกป่าแต่ตอนหลังก็ชาวบ้านเขาคุยกับชาวบ้านจนกรั้นเขาเห็นคุณค่าของมันเขาก็งดไอที่ทำทำไร่บุกรุกป่าก็ไม่มี ไอ้ที่เขาไปตัดไม้หาของป่าก็น้อยลงน้อยลงมากไอ้ที่มีก็คือมาจากหมู่บ้านอื่นซึ่งเราเนี่ยเข้าไปไม่ถึงมันหยุดใช่ไหมเพราะเราเร้ว ม, ม่ไม่มีกําลังที่จะไปทําทุกหมู่บ้านนะแต่ว่าต้องยอมแล้วว่ามันมีค่านิยมประเภทว่าต้องการเงินด่วนเงินไวนะยิ่งหมูป่าโดยไม่สนใจว่าจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมยังไงเนี่ยก็เหมือนกัน เราสึกว่าชาวบ้านเนี่ยค่ะในเรื่องของการจุดเริ่มต้นค่ะรู้สึกว่าชาวบ้านเขาเห็นว่าบทบาทศาสนาสําคัญไะในเรื่องแบบนี้หรือว่าเขาเห็นศาสนาเป็นที่ก็เห็นบทบาทก็เห็นเห็นความสําคัญในแง่ที่ว่ามันเป็นวัดมันเป็นมันเป็นมันเป็นที่อยู่ของพระนะเขาก็อย่างน้อยก็มีความกลัวนะกลัวว่ามันจะเป็นบาปหรือว่เก่งใจพระใช่ไหม แต่ว่าถ้ามันเป็นที่ที่ไม่มีพระเนี่ยก็อาจจะความเกรงใจความกลัว ก, ก็น้อยลงใช่ไหมไม่มีพระแต่ที่มีผีก็กลัวหลายแห่งก็อยู่ได้เพราะมีผีหรือความเชื่อเรื่องผีเนี่ยคอยมาทําให้ยับยั้งช่างใจถึงบอกว่าเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้ป่าไม่ได้อยู่ได้เพราะรัฐบาลหรือความป่าไม้จะอยู่ได้เพราะผีกับพระทีนี้นะคะอย่างหน้าที่ของพระเนี่ยค่ะ ละก็ต้องมาดูแลป่าแต่นี่ถึงป่าที่ใหญ่ที่ยากเกินที่จะดูแลได้ที่คิดว่ามันควรจะมีแนวทางที่เราจะรับดูแลป่าอย่างยั่งยืนเอาอมันต้องทาหลายอย่างนะในงานตั้งสร้างจิตสำนึกจิตสำนึกที่จะมาว่าเนี่ยซึ่งมีหลายระดับต้องมีนะจากในเดียวกันเนี่ยมันต้องต้องมีต้องมีการสร้างเงื่อนไขทางสังคมเศรษฐกิจ ที่จช่วยทําให้การรักษาป่าเกิดขึ้นได้หรือช่วยทําให้การทํำลายป่าลดน้อยของลดไปลง mm hmm. เช่นการทําให้มีการทําให้มี <c oughs> ท้ามีอองค์กรชุมชนมาช่วยรักษาป่าเพราะป่าเนี่ยมันมีกี่มันมีกี่สิล้านไร่อะ่ะสาสล้านไร่มั้งกรมเจ้าที่กรป่าไม้มี6000คนไม่มีทางรักษาป่าได้นอกสายชาวบ้านกูต้องให้ชาวบ้านนี่มาช่วยดูแลป่าใช่ไหม อันนี้ก็เป็นเรื่องการจัดการทางสังคมการไม่มีองค์กรทางสังคมนะเช่นกรรมการป่าชุมชนหรือว่าชาวบ้านมาช่วยกันดูแลใช่ไหกิจสานึกยังไม่พอก็อมีการจัดการทางสังคมเศรษฐกิจนะก็ต้องทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาอยู่ได้เขาสามารถที่จะได้ประโยชน์จากป่าด้วยนะเราสาปป่าเลยว่าเขาอดอยากปากแห้งก็ทาไม่ได้ เขาอยากปักแห้งเขาก็ไปไปเบียดเบียนป่าเบียดเบียนธรรมชาติทํางให้การทําให้เขารักษาป่าได้แล้วเขาก็อยู่ได้ด้วยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะซึ่งมันเป็นเรื่องของความเป็นจริงนะะการที่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านเนี่ยอาศัยประ่ยชน์จากป่าในระดับหนึ่งเนี่ยมันก็ช่วยทําให้ชาวบ้านเขารักษาป่าแล้วมันเป็นการสร้างสัมพันธ์ว่าป่าเป็นของเขาเมื่อเป็นของเขาเขาก็หาประโยชน์จากมันได้ แต่การเมื่อเขาเห็นประโยชน์จากมันได้ประโยชน์จากมันเขาก็จะรักษาดูแลนะเพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนอันนี้รวมทั้งกฎหมายมต้องมีมาตรการทางกฎหมายหลายอย่างที่ช่วยทําให้การรักษาเป็นไปได้มาตรการทางภาษีที่ทําให้ค น, นพร้อมที่จะบริจาคเงินเพื่อช่วยการรักษ า, ษาธรรมชาตนะิคือมันต้องทําหลายหลายมิติหลายด้านจะเล่นแต่จิตสานึกเดียวไม่พอ ทำมาเราผูน้นําชุมชนอะอย่างนี้นคะเขาเข้ามาร่วมนะเขาแน่นอนอยู่แล้ว <Ừ. S 1> แน่นอ น, อ น, นอตนตำแหน่งอบตอันนี้มันเป็นปัญหาแนละ้วตำแหนงอบตเนี่ยตัวนี้เป็นตําแหน่งทางการเมืองอยู่ไ ด, ด้ด้วยการหาเสียงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ <c oughs> จะต้องพยายามที่จ ะ, ะทําโครงการอะไรก็ตามที่ชาว บ, บ้านเขาชอบนะ <c oughs> <c oughs> ถ้าชาวบ้านนี่ค่อยมีสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยไอโครงการที่ชาวบ้านจะจะชื่นชมในบทบาทของกำนันหรือบอบตก็มักจะเป็นโครงการเกี่ยวเรื่องสร้างโนนสร้างนี่สร้างถนนสร้างสะพานนะสร้างศาลาเนี่ยไอที่จะเอาเองินมา <c oughs> อนุรักษ์อนุรักษ์ป่าเนี่ยมัน <c oughs> มั น, ม, นมันจะอบะตอ <c oughs> แต่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ <Yeah. S 1> เพราะว่าส่วนเพราะว่ามันช่องทางในการที่จะหาผลประโยชน์มันก็น้อยเหมือนการสร้างถนนสร้างศาล า, าซื้อหาคุรุพันธ์ต่างๆ mm hmm. มันมีโอกาสที่จ ะ, ะ, ะหาประโยชน์ได้อันนี้ก็ต้องทําให้ชา ว, าวชาาบ้านชาวสํานักงานวิศวกรรมป่ามันมีจน ก, ออกระทั่งอบตก็ดีเขาก็ต้องหาทาง มาทำโครงการเกี่ยวเรื่องนี้เพื่อการอนุรักภ์ปาเขาถึงจะได้คะแนนออวมาที่สุดเราก็พึ่งชาวบ้านเนาะพี่ทอมีพี่ได้มีเวลาเนีเวลาขาพรุ่งนี้พรุ่งนี้หลงหนูพี่ต้องขึ้นไปด้วยไหมคะเนี่ย